พวกเราทุกคนในที่นี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้ใหญ่บางคนก็เป็นผู้เท่าแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ที่เห็นโลกมามากคำว่าเห็นโลกมามากนี่ก็หมายถึงว่าผ่านประสบการณ์ต่างๆมาเยอะเจออะไรมามากไม่ว่าจะเป็นผู้คนสถานที่เหตุการณ์ยิ่งคนที่มีอายุมากนะก็ เป็นธรรมดาที่จะได้เห็นอะไรต่างๆมามากมายอันนี้เราก็เรียกว่าเห็นโลกมาเยอะเพราะว่าความเป็นผู้ที่มีอายุแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าใครควรที่ดีๆเนี่ยการที่ผ่านอะไรมาเยอะเจออะไรมามากเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นหลักประกันนะ ว่าเห็นโลกอย่างแท้จริงเพราะว่าแม่จะมีอายุมากแต่ว่าอาจจะไม่ได้เห็นโลกจริงๆก็ได้แต่ว่าหลงโลกมากกว่ามันต่างกันนะระหว่างเห็นโลกกับหลงโลกคนที่ผ่านอะไรไมาเยอะ แต่ว่าเป็นการผ่านเป็นการเจอในลักษณะที่หลงไปตามกระแสะของโลกขึ้นลงนะปล่อยใจขึ้นลงไปตามกระแสะของโลกเนี่ยอันนี้เรียกว่าหลงโลกมากกว่าที่จะเห็นโลกถ้าจะเห็นโลกอย่างแท้จริงเนี่ยมันต้องเห็นธรรมนะ คนเราจะเห็นโลกอย่างแท้จริงต้องเห็นธรรมเห็นธรรมเนี่ยความหมายคือเห็นสัจธรรมหรือความจริงของโลกนะซึ่งไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยมีอายุมากแล้วหรือเป็นผู้ใหญ่จะเห็นสัจธรรมหรือความจริงของโลกได้สิ่งที่เห็นอาจจะเป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์นะ เป็นปรากฏการณ์แล้วก็เพลินไปกับปรากฏการณ์นั่นบ้างหรือจมไปกับปรากฏการณ์เหล่านั้นบ้างไม่เียว่าสุกสุทุกๆไปตามกระแสะโลกอย่างนี้ก็เรียกว่าหลงโลกมากกว่านะไม่ได้เห็นโลกจะเห็นโลกอย่างแท้จริงเนี่ยนะก็คือเห็นแก่นแท้หรือ สัจธรรมความจริงของโลกซึ่งก็คือเห็นธรรมนั่นเองสัจธรรมความจริงของโลกนี่มันก็มีหลายแง่มุม น, นะที่ลึกซึ้งหรือเป็นแก่นแท้ของโลกเนี่ยที่สำคัญก็คือไตรลักษนณะ์นะอริจังทุกขังอนัตตาแต่ถึงแม้ว่าจะยังเห็นอย่างนั้นไม่ชัดเจน แต่การเห็นสัจธรรมความจริงในบางแง่เนี่ยมันก็ถือว่าช่วยทำให้เห็นโลกนะเข้าใจโลกได้มากขึ้นเช่นเห็นโลกว่ามันก็เป็นไปตามสิ่งที่เรียกว่าโลกธรรมแปดนะมีลาบก็ คู่กับเสืิมลากมียศก็คู่กับเสืิมยศสาลเสริอคู่กับดินทาสุขก็เช่นเดียวกันนะมันก็หนีไม่พ้นกับทุกข์ซึ่งก็รวมไปถึงเจอกับจากพบกับพลากรักกับเลิกนี่อันนี้มันก็เป็นเรื่องของโลกธรรมหมายวามว่าโลกก็ ขึ้นลงหมุนเวียนผันเปลี่ยนไปตามความเปลี่ยนแปลงที่ว่านี่แหละคือขึ้นลงขึ้นลงมีกับหมดได้กับเสียถ้าหากว่าผ่านโลกมาแม้อายุยังไม่มากเนี่ยแต่เห็นตรงนี้เนี่ยหรือจําจำแจ้งใน ความเป็นไปของโลกที่เรียกว่าโลกธรรม8เนี่ยันก็ถือว่าเห็นธรรมนะหรือว่าเห็นในแง่มุมอื่นด้วยหลวงพ่อพุทธานิโยท่านให้คอคิดดีๆนะั้นท่านบอกว่าเห็นธรรมแล้วเนี่ยก็จะเห็นโทษของความสุข และเห็นคุณประโยชน์นของความทุกข์เห็นธรรมเมื่อใดเนี่ยก็จะเห็นโทษของสุขและเห็นคุณประโยชน์ของทุกข์หรือถ้าพูดอีกทางก็คือว่าการเห็นโทษของสุขและเห็นประโยชน์ของทุกข์เนี่ยมันก็ถือว่าเห็นธรรมด้วยเหมือนกันนี่มันเป็นการเห็นที่ต่างจากความเห็นของชาวโลกนะ เพราะชาวโลกเนี่ยก็เห็นว่าเห็นแต่คุณของความสุขแล้วก็เห็นโทษของความทุกข์เพราะฉะนั้นก็จึงเกิดอาการรักสุขเกลียดทุกข์นะคนที่ผ่าโลงมาเยอะแต่ว่าเห็นแต่คุณของสุขและเห็นแต่โทษของทุกข์เนี่ยและดังนั้นเนี่ยจึง รักสุขเกลียดทุกข์ก็เรียกว่าหลงโลกเหมือนกันนะอย่างนี้ไม่เรียกว่าเห็นโลกอะหลงโลกเพราะว่าก็จะไขว่คว้าหาความสุขแล้วก็พยายามหลีกหนีความทุกข์แต่ว่าทําเท่าไหร่ทาไรทําเท่าไหร่ ท, ทําไรมันก็นะไม่สามารถที่จะได้สุขสมหวังหรือ หนีทุกข์ไปได้คนที่เห็นธรรมเนี่ยเห็นสัจธรรมความจริงเนี่ยของโลกเนี่ยก็จะรู้ว่ า, าสมเนี่ยมันก็มีคุณนะคือมันให้ความพอใจนะความเพลิดเพลินแต่มันก็เต็มไปด้วยทุกข์นะหรือเต็มไปด้วยโทษเพราะว่า มันง่ายมากนะที่จะหลงนะจากเพลิดเพลินกลายเป็นหลงไหลแล้วก็กลายเป็นปล่อยให้อำนาจของความสุขลออำหน้าของสิ่งที่ให้สุขแก่ตนเนี่ยมันครอบงำคนเราเนี่ยพอเพลิดเพลินในสุขแล้วมันก็หลงลืม หรือว่าลุ่มหลงได้ง่ายมาแล้วพอลุ่มหลงแล้วเนี่ยมันก็พาชีวิตสู่ความตกต่ ำ, ยำแย่นี่คือโทษของสุขที่คนมักจะมองไม่ค่อยเห็นทั้งที่มันก็มีให้เห็นอยู่ตลอดเวลาคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็มีความสุขกับการพ น, นันบ้างละ่ะมีความสุขกับเกมออนไลน์บ้างละ่ะ แล้วพอมีความสุขแล้วเกิดอะไรขึ้นนะก็ลหลงไหลเพลิดเพลินแล้วก็ปล่อยใจให้จมอยู่กับการเสพสุขจากสิ่งเหล่านั้นไม่ต้องพูดถึงยาเสพติดไม่ต้องพูดถึงอบยอยียนมุกอย่างอื่นเอาแค่วิดีโอเกมอย่างเดียวเนี่ยมันก็พาทําให้คนเนี่ยตกต่ําย่ําแย่ได้ไม่เป็นอันหลับอันนอน นะเล่นแต่เกมไม่ว่าเป็นเมื่อเด็กหรือผู้ใหญ่งานการก็ไม่ทำบางคนมีลูกก็ไม่ดูแลลูกจนนะเคยมีนะลูกตายเพราะพ่อแม่นี่ติดเกมเล่นแต่เกมนะมันเคยมีมาหรือบางคนก็เล่น nonstop นะไม่หยุดเลยนะ6ชั่วโมง จนหัวใจวายตายเนี่ยนี่แหละคือโทษของสุขที่เห็นได้ชัดนะแต่ว่าคนจำนวนมากก็มองไม่เห็นแล้วมันไม่ใช่แค่สุขจากเกมนะสุขจากหนังสุขจากละครสุขจากภาพยนตร์สุขจากซีรีส์พวกนี้ก็เหมือนกันก็ทำให้ผู้คนจำนวนมากเนี่ยชีวิตยำแย่ บางคนตั้งใจจะปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติไม่ได้เพราะไปไปหลงไหลกับสุขชนิดนี้วน บ, บางทีงอหัวไม่ขึ้นเลยก็มีสูงจากอาหารก็เหมือนนะอาหารที่อร่อยอาหารที่ถูกปากใครๆก็ปรารถนายอมเสียเงินเป็นพันเป็นหมื่นเพื่อที่จะได้กินอาหารที่ถูกปาก ก็ถือเป็นความสุขชนิดหนึ่งนะแต่ว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยพอกินมากๆเข้าด้วยความหลงใหลด้วยความติดใจในรสอร่อยเนี่ยเป็นไงนะป่วยทั้งที่อาหารก็มีคุณภาพนะแต่ว่าคุณภาพมันล้นเกินเพราะว่าการกินสะสมหมักมากนานๆ น้ำตาลเยอะไขมันมากก็ทำให้เป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคมะเร็งก็มีเสร็จแล้วก็เส้นเลือดในสมองแตกหรือไม่ก็เป็นอามาพึกงเอามาพาดหรือไม่ก็เป็นโรคเกาอันนี้คือโทษของความสุขนะหรือโทษกัสิ่งที่มันให้สุขกับเรายังไม่พูดถึงว่าพอหลงหลายแล้วมันยึดติดนะ เมื่อยึดติดแล้วสุขนั้นเกิดแปรปรวนเพราะว่าไม่มีสุขใดที่มันจีรังยั่งยืนนะรวมทั้งสิ่งที่เป็นต้นต่อแห่งความสุขหรือว่าสิ่งเสษที่ให้ความสุขกับเราแล้วก็ไม่ใช่แค่สิ่งของรวมถึงผู้คนด้วยรวมถึงลาบยศสารเสริญไอ้พวกนี้เนี่ย ไม่ว่ายังไงมันก็ไม่เที่ยงอันนี้พอติดมันแล้วนะแล้วถึงเวลาที่มันเกิดแปรเปลี่ยนเสื่อมสลายหรือว่าหลุดไปจากการครอบครองของเรานี่โอ้ทุกเลยนะอ น, นี่คือโทษของสุขนะที่คนก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะแล้ว บ่อยครั้งนะสิ่งที่เรามีเนี่ยมันให้ความสุขกับเราก็จริงแต่พอเวลาเสียมันไปนี่มันทำให้เราทุกข์ยิ่งกว่าตอนที่เรายังไม่มีอีกนะไอตอนไม่มีเนี่ยอาจจะไม่สุขเท่าไหร่แต่พอมีแล้วเสียไปศูนย์เสียไปมันทุกข์ยิ่งกว่าตอนที่ยังไม่มีนะไม่จะเป็นสิ่งของหรือผู้คน แฟนคนรักหรือว่าลูกนะพอสูญเสียไปเนี่ยโอ้มันทุกข์จริงกว่าตอนที่ยังไม่มีเขาซะอีกเช่นเดียวกับสิ่งของทรัพย์สินเงินทองเนี่ยตอนไม่มียังไม่เท่าไหร่ก็อาจจะลำบากหนะ่อยแต่พอเสียมันไปนี่บางคนนี่เสียสูญไปเลยนะทั้งที่เป็นแค่ทรัพย์สินเนี่ย แล้วก็ถึงกับค่าตัวตายแล้วก็มีอย่างที่เห็นเนี่ยตอนเวลาหุ้นตกนะค่าเงินบาทตกเนี่ยโอ้คนจนวนไม่น้อยเนี่ยค่าตัวตายทั้งที่ตอนที่ยังไม่รวยก่อนที่หุ้นจะตกเนี่ยมันก็ไม่ได้ทุกข์อะไรมากแล้วมีแล้วก็ตามเนี่ยนะทั้งที่มีแล้วหวังความสุขจากมัน แต่พอเสียมันไปนี่มันทุกข์นะและยังไม่นับนะว่าขณะที่ยังไม่ได้มันมาแล้วต้องไปดิ้นรนขนขวายเพื่อให้มีมันครอบครองมันไม่ว่าทรัพย์สินผู้คนหรือว่าทรัพย์บริวารเนี่ยมันก็ทุกข์อ่ะนะคนนักการเมืองที่แย่งชิงอำนาจกันนี่ ก็ทุกข์เหมือนกันนะทุกข์มากด้วยรุ่มร้อนเพราะว่ามันเป็นที่หมายปองที่หมายปองไปแล้วเพราะเชื่อว่ามันให้ความสุขกับเราแต่ว่ากว่าจะได้มันมานี่ก็ต้องเหนื่อยยากนะอันนี้ก็เรียกว่าทุกข์ได้มาแล้วถุกคนแย่งจริงไปก็ทุกข์อีก อันนี้าโทษของความสุขนะที่คนมักจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเห็นทำเนี่ยนะมันจะเห็นเลยนะว่าไอ้ความสุขนี่มันมีโทษนะและโทษเนี่ย จ, จะมากกว่าคุณซะอีกเดียว่าความสุขแบบโลกๆกนะความสุขจากสิ่งนอกตัวความสุขจากสิ่งเสรความสุขจากการมีการได้การครอบครอง มันทำให้ยึดติดมันทำให้และจากความยึดติดเนี่ยก็นําไปสู่ความทุกข์ในที่สุดในทางตรงข้ามเนี่ยความทุกข์เนี่ยนะคนส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบแต่มันก็มีประโยชน์นะไม่ว่าความทุกข์มันนัน้นจะมาในรูปใดเช่นความยากลําบากนะคนที่เจอความยากลําบากในวัยเด็กหรือว่า ในวัยหนุ่มสาวเนี่ยบางทีก็กลดาชะตากรรมนะว่าทำไมฉันต้องมาเจอแบบนี้ทำไมต้องเป็นฉันแต่พอเวลาผ่านไปแล้วขอบคุณความยากลำบากนะเพราะมันทำให้ตัวนี้เข้มแข็งขอบคุณความยากจนที่ทำให้รู้จักพึ่งตัวหรือว่า มีความหมันเพียนจนประสบความสำเร็จในชีวิตหรือว่าจนสามารถที่จะนาพาชีวิตสู่ความเจริญงอกงามได้แม้แต่คนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยบางคนนี่ก็เรียกว่าเจอทุกเจออุปสรรคมากมายการปฏิบัตินี่มันเต็มไปด้วยขวากหนามก็ว่าได้แล้วคนอื่นเขาปฏิบัติได้สบายทำไมชั่วําบากแบบนั้น แต่พอเวลาผ่านไปเนะี่ยโอ้ขอบคุณนะอุปสรรคเขายากลำบากเ็าทำให้ได้เห็นธรรมแล้วก็เห็นชัดแจ้งนะกว่าคนที่เขาปฏิบัติอย่างสบายสิคนที่ประสบความล้มเหลวประสบอุปสรรคในงานการพองานล้มเหลวก็รู้สึกแย่แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปก็ รู้สึกขอบคุณนะความล้มเหลวมันทำให้เกิดปัญญามันทำให้มีประสบการณ์มันทำให้มีความเจนจัดและทำให้ไม่กลัวความล้มเหลวไอ้คนที่ไม่เคยเจะเจอความล้มเหลวนี้จะกลัวนะกลัวกลัวจนไม่กล้าที่จะทำอะไรที่เสี่ยงมันก็เลย การทำงานก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น่าเบื่อเพราะมันไม่มีอะไรแปลกใหม่แล้วไม่กล้าที่จะทำอะไรที่แปลกใหม่แต่คนที่เขาเจอความล้มเหลวบ่อยครั้งนี้เขาไม่กลัวเพราะคุ้นหรือชินกับมันซะแล้วยิ่งรู้จักหาประโยชน์จากมันได้บทเรียนจากมันเพราะยิ่งทำงานอย่างสนุกนะเพราะว่าไม่ว่าจะล้มเหลวกี่ครั้งก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเรื่อยๆ และทให้กล้าที่จะทำอะไรแปลกใหม่คิดนอกกรอบแม้ว่ามันมีโอกาสเสี่ยงแต่ว่าไม่กลัวเสร็จแล้วนะมันก็กลายเป็นเรื่องที่สนุกได้อันนี้ก็เป็นประโยชน์ของความทุกข์นะแต่ว่าประโยชน์ที่ว่านีอาจจะเป็นประโยชน์ในทางโลกสักหน่อยนะแต่ที่เป็นปลยนในทางจิตใจหรือเป็นประโยชนในทางธรรมก็มีไม่น้อยนะ เช่นมันทำให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่น่ายึดติดความทุกเนี่ยมันทำให้เราเห็นโทษของความยึดติดหรือมันทำให้เห็นว่าให้สิ่งต่างๆเนี่ยนะมันไม่น่ายึดแล้วก็ยึดไม่ได้อันนี้ถ้าเรา พิจารณาถึงสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองสังขารร่างกายถ้าเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์นะเห็นถึงขั้นนี้เนี่ยนะมันใจนี่มันจะไม่ยึดไม่อยากจะยึดเลยแต่ก่อนนี่ก็ไม่เคยรู้ว่า สังขารนี่เป็นตัวทุกข์หรือไม่เคยเห็นว่าทรัพย์ทั้งหลายนี่มันเป็นตัวทุกข์นะมันเป็นภาระแต่พอเห็นเนี่ยมันก็ใจมันก็ไม่อยากจะยึดแล้วละ่ะเหมือนกับว่ามาเห็นว่าเนี่ยไอ้ที่เคยถือเนี่ยนะที่เคยหวงแหน ที่จริงมันเป็นของร้อนมันเหมือนฐานก้อนแดงๆแราก่อนไม่เห็นหรอกนะเพราะว่าไอ้ความร้อนหรือความความความร้อนของมันเนี่ยมันถูกกลบนะด้วยเท่าก็ไปจับมันแต่พอพบว่ามันเป็นของร้อนเนี่ยมันปล่อยเลยปล่อยทันที วางทันทีหรือเหมือนกับคนที่แบกสมบัตินะแบกขีบสมบัติเนี่ยในขีบนั้นเนี่ยมีทนบัตาเต็มเลยอัดแน่นหวยมีค่ามากแต่ทันทีที่รู้ว่าทนบัตานั้นเป็นแบงกงเต็กเนี่ยนะพวมันวางเลยนะมันไม่คิดจะเอาเลยในการเห็นทุกข์เนี่ยมันมันมีประโยชน์ตรงเนี้ย คือมันทำให้วางยิ่งถ้าเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยเป็นทุกข์เป็นตัวทุกข์นะมันไม่ได้ให้สุขที่ยั่งยืนเลยให้ใจที่ปล่อยใจที่วางเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นหรือการปล่อยกลางวางก็จะเกิดขึ้นและสิ่งที่ตามมาก็คือความโปร่งเบาอย่างที่เราสวดนะอยู่บ่อยๆเนี่ยขันทั้งห้าเป็นของหนักเนอ การแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกการสลดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขเห็นทุกข์คือเห็นว่ามันเป็นของหนักเห็นทั่ว์ก็คือเห็นว่าเป็นของร้อนมันทําให้ไม่เกิดความเพลิดเพลิพนยินดีล ห, ลยยหลงไหลยึดติดหลวงปู่บุญญุทธท่านพูดน่าคิดนะบอกเนี่ยทุกเนี่ยเป็นของดีมันดีเพราะมันทําให้เบื่อเบื่อว่ากูไม่อยากเกิดอีกแล้วโว้ย นะทําให้ปรารถนาที่ออกจากกามในขณะที่ความสูขเนี่ยมันทําให้หลงลืมและผลักให้เวียนเกิดเวียนตายเนี่ยอยู่อย่างนี้แหละงั้นถ้าเพลินในความสูงเนี่ยมันก็เวียนเกิดเวียนตายไม่จบสิ้นนะต่อเมื่อเห็นเห็นทุกข์คือเห็นสิ่งต่างเป็นทุกข์ มันก็ทำให้เกิดความเบื่อเบื่อในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าความไม่หลงไหลไม่ยินดีแล้วก็ทำให้การปล่อยการวางเกิดขึ้นรวมทั้งการไม่ปรารถนาที่จะเกิดอีกมีพิธีกรสองคนนะพูดไว้น่าสนใจใคล้ายๆกับที่หลวงปู่พูดเนี่ยคนหนึ่งบอกว่าเนี่ย การมีความสุขอา ะ, ะทำให้เราหลงลืมส่วนความทุกข์เนี่ยมันทำให้เราหันกลับมามองความจริงของชีวิตอีกค น, นึบอกว่าเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันกความสุขนะะความสุขทำให้ใจเราฟุ้งล่องลอยในขณะที่การมีความทุกข์เนี่ยทำให้เราอยู่ออความจริงอยู่กับตัวเองก็้อยู่ออกับความเป็นจริง ซึ่งเดียวการล่องลอยมากทั้งสองคนเนี่ยพูดเหมือนกันว่าเนี่ยความสุขมันทำให้หลงลืมหรือล่องลอยแต่ความทุกข์มันทำให้อยู่ความจริงเห็นความจริ ง, งสองคนเนี่ยนะก็ไม่ได้เป็นนักบวช น, นะอายุก็แค่30คนนึงก็ป่วยหนักเป็นโรคธาลัสซีเมียตั้งแต่เกิดร่างกายนี่แคร์แกลนนะ ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่อีกคนนึ่งก็เป็นโกกรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงกล้ามเนื้อแต่ละส่วนก็ค่อยเสียหรือเสื่อมสมรรถภาพเดินไม่ได้จากเดินไม่ได้ก็กลายเป็นยกมือไม่ได้ขยับนิ้วลำบากหายใจก็ยากหายใจได้แค่10เปอ็นปอดเนี่ยมั้ปอดทางา น, นได้แค่10ซเป็นนักเขียนนะแต่ว่า ไม่สามารถจะเขียนไม่สามารถจะปากกาหรือว่าพิมพ์ดิจตตามปกติได้ต้องใช้มือที่งอเนี่ยเป็นข้อเนี่ยจิ้มลงไปที่แป้นคีย์บอร์ดโทรศัพท์มือถือแล้วทำได้แค่นิ้วเดียวด้วยนิ้วที่งอนิ้วขวาและเขียนเนี่ขณะที่นอนนอนเขียน กว่าจะเป็นตัวกว่าจะเป็นประโยชนกว่าจะเป็นย่อหน้าเนี่ยโอ้ใช่เวลาเรียกว่าเจอความทุกข์โดยที่ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่แต่ก็เห็นเหมือนกันเลยนะว่าความทุกข์นี่มันก็ดีเหมือนกันนะมันทําให้โยชนความเป็นจริงมันทําให้จิตไม่ฟุ้ไม่ล่องลอยมันทําให้ไม่หลงลืมหรือว่าเพลินไปกับความสุข ถ้าเราเนี่ยสามารถจะเห็นประโยชน์นะของทุกได้เนี่ยนะมันจะค่อยพาเราไปสู่ความอิสระมากขึ้นเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยไม่หลงยึดหลงติดหดลวงพ่ออมเฉยีย่ถึงกับพูดเลยนะเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์นะเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์แต่จะเห็นทุกได้เนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ว่าเจอทุกข์เราจะเห็นไปทุกครั้งนะส่วนใหญ่พอเจอทุกข์แล้ว ก็เป็นทุกข์หรือว่าจมอยู่ในทุกข์เห็นทุกข์กับเป็นทุกข์ไม่เหมือนกันนะส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นทุกข์แต่จมในทุกข์ถ้าปล่อยใจจมทุกข์เนี่ยมันก็ไม่เห็นทุกข์หรอกเหมือนกับคนที่จมน้ำหรือบางทีสำลักน้ำเนี่ยไม่เห็นน้ำจนกว่าจะโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำถึงจะเห็นน้าหลายคนเนี่ยพอเจอทุกข์แล้วเนี่ยมันเหมือนกับจมน้ำนะคือจมในทุกข์ ต่อเมื่อเนี่ยนะเอาจิตนี่ออกจากทุกหรือว่าออกมาจากการจมในทุกเนี่ยมันจึงจะเห็นทุกเราพอเห็นทุกแล้วเนี่ยมันก็จะต่อไปมันก็จะเห็นประโยชน์ของทุกได้ง่ายขึ้นเหมือนกันนะคนที่อยู่ในโลกเนี่ยส่วนใหญ่มันอยู่แบบเหมือนคนจมน้าอะ่ะก็เลยหลงโลกนะแต่ไม่เห็นโลกอย่างแท้จริงจนกว่าจะออกมา ไม่ได้เอาตัวออกมาจากโลกนะแต่ว่าเอาจิตเนี่ยออกมามองนะเห็นกระแสของโลกลก็เห็นความจริงของโลกจะทำก็ได้ก็ต้องเห็นธรรมนะพอเห็นธรรมแล้วมันถ้าไม่เห็นโลกได้แล้วก็ไม่ไม่หลงโลกนะจิตก็เป็นอิสระจากโลกได้มากขึ้นอันนี้เนี่พุท่านีนะออกา